เปิดไปหน้าแรกเลยนะครับกังขาวิจาเนียกาถานโมตสัสสะพระคัมภโตอรหัโตสมมาสมุทธัสสะขอน้อมน้อมแดพ่พระผู้ทรงพระเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองพระองค์นั้นคัมภารังพัคคัมภาราังพัคทแปลว่าคําเริ่มพระคันทีหรือว่าคําเริ่มต้นคันทีือ <c oughs> ข้าพเจ้ามีใจเรื่องใสน้อมอธิ่าพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ผู้ตั้งอยู่ในฐานะที่ครวรกราบ่าว้นั่ถือบูชาและสักการะแล้วขอนบว่ายพระเถระทั้งหลายผู้เป็นบุรพาจาจตเสริญเป็นหยุดประที่แห่งวงพระเถระผู้มั่นคงในลำดับพระวินยัยจากพันน า, นาอัดแห่งพระปาทิโมท่พระพุทธเจ้าทรงประกาศแล้ว อันเป็นประคานแห่งทรามไม่มีโทษเป็นทางํำเนินให้ถึงพระนิพพานได้ทั้งนี้ก็ด้วยคำเชิญของพระสุนทรเทระคู่แก้วกล้ามีความรประพฤติ อ, นนอ่อมน้องเรียบร้อยและขัดเกลาสมบูรณ์ด้วยจารทร์สีและวนันสีพร้อมจั ก, กรธรรมให้มีวินิจฉัยที่สมบูรณ์ตามแนวทางการอธิบายของพระมหาเทระในวัดมหาวิถาน พร้มที่จะขจัดความสงสังสยของเรล่าพิสุขผู้เกิดความสงสัยในพระปรางคถิมบอกนะั้นโดยตั้งชื่อให้อย่างคพราะนี้ว่ากังขามิตรณีอธิบายาบบที่บารมีอาจรย์บอกเลยนะนี่คำที่หมายตั้งแต่คําว่าคำถามธรรมะคำเริ่มต้องคำพีคำเริ่มต้นคำพีนะเวลาเราเป็นเรียนบาลีใหญ่นะตั้งแต่ต้นๆเลยอาจารย์ก็จะอธิบายใช่ไหมครับ ข้อหนสือบาลีใหญ่นี่ท่านจะาที่บาเลียเรื่องพวกนี้่นะจะมีปนามะแล้วคำถามลําพระปนามะคำนอบน้อมนะครับการแสดงความ น, นอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแล้วคำถามลําพระคําัทต้นคำพีบางทีคําัทธ์ต้นคมพี์นะ่ยมีการนอบน้อมพระรัตนตรัยภาในตัวด้วยอย่างเช่นเนี่ยในคมพี์นี้ใช่ไหมครับตรงนี้เป็นคําพูดของพระพุทธโสด า, าจานะครับพระพุทธโสด า, าจานเป็นผู้ที่เอ รเจนา น, นะครับคอมพีก า, ารขามินารีนะครับนี่นะครับทีนี้คําริ่มต้นคอมพีเนี่ยถ้าว่ามีสามอย่างอย่างแรกการเริ่มต้นคอมพี์ด้วยการแสดงความปรารถนาครับอันนี้นะจดไม่ทําไม่เป็นไรนะครับอย่างที่สองเริ่มต้นคัมพีด้วยการแสดงความอนอกน้อะอย่างที่สามเริ่มต้นคอมพี์ด้วยการแสดงหัวข้อ เ, เรื่อง อย่างเช่นเนี่ยคันนยยมพีเนี่ยการขายกรณีเนี่ยถ้าเริ่มต้องคัมภีร์ด้วยการสแสดงความนอบน้อมนะครับนอบน้อมพระสันตานาฏัยและก็นอบน้อมพระสันตนาฏหมายคู่เป็นบุรุษอาสามันจะเห็นได้อย่างนี้นะหรืออย่างเช่นในไหนกันในที่สมมศักสังฆะใช่ไหมครับสัมมาสัมพุญธมาตุลังสัตตสัมมานาุทธสมามีนะครอักที่วาที่ย่พาสุสังอักที่ธรรมสักดิ์ังฆนั้นก็เป็นการเริ่มต้นคัมภีร์ ด้วยการนอกน้อมสะราธิครับข้าพเจ้าวงเล่ว่าพระอนุช า, าจาย์ขออบน้อมพระสมมาสมเจ้าผู้ไม่มีอะไร น, นะผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนนะครับพร้อมด้วยพระสัตธรรมและพระและพะนักสงฆ์ผู้สูงสุดแล้ว จ, กนนะจกักอะไร น, น, นะจับใจคำพีิธรรมวาันสัมปทานครับการนอบน้อมสลต่รับเนี่ยนะนะ แล้วก็บางคำางคมพีน่ะเริ่มต้นคำพีด้วยการแสดงความปรารถนานะครับจะเป็นลักษณะนหนึ่งนะอย่างเช่นในคมพีวากรคำพีฉันทล่งนั้นภาษาบาณีมีคพีหนึ่งั้งแต่ท่านเริ่มต้นคมพีด้วยการแสดงความปร า, ารถนาว่าขาถามท่านนะพาะนะครับมุนินทะวัฒน์โพชะับพระสัมพวะสืบพอดีสรารนังปานินำวาลีไม่งัมงปีนาอยะตันัง ของพระสัตยธรรมอันงดงามที่บังเกิดแต่ห้องแห่งมงกตคือพระโอษของพระจอมมีอันเป็นสารณะของสัพนหมายจงยังใจของท้าพระเจ้าให้อิสระไพ่เร่ามากนะแม้แต่มาหลวงพ่ออะไระครับแสดงความปรารถนานะครับว่าขอให้พระัธรรมเนี่ยทําใจของท่านให้อิสระครับปกติในธรรมนะส่วนบางคำพีก็นะครับ เริ่มต้นคำพีด้วยการแสดงหัวข้อเรื่องอครับไม่มีการแสดงความปรารถนาไม่ amel, ไมีการเล่นๆเล่นไปเป็นคําเริ่มต้นคำพีนะแต่มีการแสดงหัวข้อเรื่องอย right. on ่างเช่นคํำพีอะไรครับคำพีวิสุทธิมักครับนะเนี่ยเริ่มต้นคำพีด้วยการแสดงหัวข้อเรื่องเลยเพราะว่าคำพีวิสุทธิมากเนี่ยพระเทหลักทั้งหลายที่อยู่ในวัดมหาวิหารท่านนะครับถ้าได้หัวข้อมาคาถาหนึ่งแล้ะพระบุญธรรมสาจาเนี่ย เป็นคนละที่บายนะค่ับคาถาเนี่ยนะท่านก็เลยที่บายแต่ที่มิจฉาทมากนะครับเล่นห น, หนาๆสองเล่นเลยนะเพราะขอให้ท่านเพิ่มปัญญา ม, มามกนะครับเพราะนั้นทั้งตัณฑ์ปีของท่านก็เลยเป็นเป็นการแสดงขัวข้อเรื่องก็มีมานะกมายนะที่ตัณฑ์อ่าสีเลยปฏิฐถญานะนัโรสปั ญ, ญโยจิตตังปัญ ญ, ญจะพาวะยังอาตามปีนปโกภิขุโส อ, อิมังนิสตเเยชตัง นระผู้มีปัญญาตั้งอยู่แล้วในสีเจริญสมาธิและปัญญามีความเพียรเป็นผู้ฉลามีความฉลาดเป็นพิสุทธิ์เขานั้นจะฐานชั้นนี้ได้เนี่ยก็พูดถึงบุคคลนะครับที่สา ม, มารถฐานชั้นคือตัณหาไดาก็คือใครก็อธิบายนะท่านก็ว่าอันนี้เป็นภาพหลักของพระพุทธเจ้านะครับในหัว ข, ข้อเรื่อง โดยการยกพระธารมหลักคาถานะที่เป็นพระพุทธพจน์นะครับข่้นหลังพรพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วท่านก็อธิบายความวิริสุทธิมัชถ้าเรามีโอกาสเนี่ยเรียนเลยนะครับนะเพราะว่าเป็นการอธิบายถึงเรื่องสีสมาธิปัญญาที่เราจะเอาไปใช้ในขนะโดยตรงของเราเกี่ยวกับกปฏิบัติโดยตรงเลยนะนะครับคนไม่อยากทำเลยข้อชื่อก็บอกแล้วว่าสิริสุทธิมัชมัชค่าขนทานสุทธิที่แห่ ง, ง, ห ง, ง, ห ง, งความหมดจดขนทางความหมดจดคืออะไร คือพรนิพพาอนอาจารย์ความคือได้แก่อุบายเครื่อมารุภะนิพพานเองคำพีนะที่แสดงถึงนะครับอธิสีติอธิเกียติปัญญานะครับซึ่งเป็นอุบาบรรุพรนิพพานเพราะนั้นเลืกเ้น ม, มากนะท่านอาจาย์ที่ว่านี่ไ ด, ดีมากนะละก็แสง ม, มากคือเนี่ยมีอาจารย์อาจารย์ท่านหนึ่งที่นันงสมปไตยยดกนะครับท่านบอกว่าถ้าเราไม่มีเวลาที่จะศึกษาปไตยปยดกทั้งหมดเลยนะเพราะว่าเยอะใช่ไหมครับ ว่าให้ศึกษาพุทธมุตตสังกัจจ hạ และก็มีสิทธิมากนี้ครับเราจะมีความเข้าใจนะถึงเนี่ยมีสมิทสี่มากนะครับถ้าพุทธมุตตสังกัจจ hạ ก็มีสิทธิมากแล้วก็จะมีความเข้าใจเข้าใจพิดกนะครับข้าใจพิดกนะพ่อถ้าจะพูดถึงศีลสมาธิปัญญานะครับเราจะอ่านแล้วก็จะเข้าใจหน้านะครับในความเข้าใจเพราะว่าท่านเหมือนกับว่าเครื่องสอนพะุทธเจ้าก็ไม่มีอะไรมากใช่ไหมก็มีศีลสมาธิปัญญาถ้าเรารวมยอดใช่ไหมครับก็นั้นมีสิที่มากจะครูหมดเลย นะพอรเาราศึกษาคาถาบูเดอก็จะเข้าใจได้ง่ายได้สะดวกอันนี้นะครับคำตั้งปีเป็นอย่างนี้นะต่อไปนะครับจะบอกว่าน้อมน้อมพระพุะทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ผู้ตั้งในฐานะที่ควรกราบไหว้นัถือบูชาและสักการะนะครับผู้ที่ควรบูชาเพราะว่าพระพุทธนาฏยเนี่ยประกอบด้วยคุณเป็นอนเนกใช่ไหมครับแยะมากมายนะเป็นของพระพนาไตานะครับ เป็นผู้ที่ควรบูชาใครคือผู้ที่ควรบูชาคนที่มีคุณธรรมนะครับใครก็แล้วแต่นะที่บุคคลเป็นบูชาแล้วนะครับยังประโยชน์นะทั้งในโลกนี้ลโลกหน้าให้สําเร็จแก่คนนั้นนะครับนี่คือผู้ที่ควรบูชาสูงๆก็พระพุทธเจ้านะไล่ลงมาเรื่อยจนถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับเป็นผู้ที่ควรบูชาและส ก, การะและก็ว่าพัินทั้งหมายผู้เป็นบุรพาจารย์ประเสริฐ พระเถรที่นี้ได้แก่พระเถน่าที่อยู่ในเกาะลังกานะครับนะสมัยน่าผู้ผู้นักศาสนานะครับไปนุ่งเรื่องในประเทศสีลังกาท่านจะเรียกว่าเกาะสิงผลนะครับเนี่ยนะเนี่ยเพราะว่าพระวุลโกศ า, าจารย์เนี่ยท่านไปที่เกาะลังกาใชครับไปทําไมครับไปเพื่อแปลนะครับพระไตรปอฎกอัตถะที่เป็นภาษา ส, าสิงผลนะการเป็นภาษามาคพลนะครับเนี่ยท่านก็ได้นะ ความที่มีใช้ต่างๆแล้วได้ความรูม้ความเข้าใจนะสามพระเถระนะครับผู้อยู่ในเกาบสิงห์ผลหรือกาะลังการครับกอบุรพานใจนี้หมายถึงพระเถระผูอยู่ในเกาะลังกาผู้แต่งตระกหาโบาราณเป็นดุรที่แ่งวงพระเถระนะครับคือผงงู้เป็นดุริบที่แผงวงพระเถระคําว่าพระเถระทีนี้แปลว่าผู้มั่นคงครับพระเถระแปลตางสัพท์นะครับ อ๋ออันนี้อันนี้มีความที่หมายนะวันผมไปไปนผมก็เขียนสรุปมาแล้วว่าชื่อว่าเถระนะครับพูดถึงพร้อมด้วยศิละขันเป็นต้นนะครับอันมั่นคงชื่อว่าเถระนะพูดถึงพร้อมด้วยศิละขันเป็นต้นอันมั่งคงชื่อว่าเถระมีศิละขันกองสีนยมละกองสมาธิกองปัญญานะเนี่ยพูดถึงพร้อมด้วยเนี่ยนะครับอันมั่นคงชื่อว่าเถระนะในที่นี้คือใคร ได้แก่นั่นพระเถระตัะ้งแต่ทำสับธรรนาครั้งแรกเลยนะครับมีปัมหากระสับเป็นต้นนะครับตรงนี้นะคําว่าภระนถระตรงนี้นะครับเจ้าบอกว่าบรุาารพากามาในทีนะดุจปฏะทีปแห่งวงพระเถรนะครับวงก็คืออะไรคิอตะกูลหรือว่าเชื้อสายนะครับนี่นะ ท, ท่านก็อธิบายว่านะครับท่านอธิบายว่าที่บอกว่าเป็นดุจปฏะทีปแห่งวงภระเถระนะ เพราะว่าแสดงนะครับสร่างแสดงวงของพระเถระนั้นด้วยความรุ่งเรืองแห่งปัญญานะด้วยความรุ่งเรืองแห่งปัญญาครัเพราะความถึงพร้อมด้วยอาคมคือแตกช้าในปริยัตคคำสอนพุทธเจ้าและที่คมนะครับคือการบรรลุโมโหนิพพานนะนะครับว่าผู้นั่งนิ่งในวงของพระเถนะเนี่ยแล้วก็แสดงเนี่ยที่ว่านะจึงได้ชื่อว่าเป็นดุริบที่นะครับแห่งวงพระเถนะ คือเป็นผู้สอบสว่านนะให้ถึงวงของภาทิโมนะครับอันนี้อย่างนี้นะครับต่อไปผู้มั่คนคงในลำดับพระวินายนะครับอันนี้ไม่ยากนะจากพนานากันแห่งปาติโมนะครับพระปาติโมที่พระได้ธเจ้าทรงประกาศแล้วอันเป็นประธานแห่งธรรมไม่มีโทษนะครับพระปาติโมกนะเป็นประธานแห่งธรรมที่ไม่มีโทษ เพราปาติโมกนี่คืออะไรเป็นสนีใช่ไหมครับสีของภาพวิสุทเลยนะการตุภริสุทธิสีทีอ้เคยได้เรียนมาแล้วใช่ไหมครับก็มีปาติโมกกับสังวรณ์สีเป็นข้อแรกเลยมีปาติโมกแล้วก็อินซีใช่ไหครับแล้วก็ปัจจยะสนิจิตาสีแล้วก็อาชีวภริสุทธิสีสีอย่างใช่ไหมครับปาติโมกถึงเป็นข้อแรกนะเพราะถ้าข้ออื่นเช่นอ อินทรีย์สองวันสีเนี่ยากครับต้องใส่การปฏิบัติด้วยนะถึงจะช้บริบูรณ์ได้ครับแต่ปาติโมลแล้วก็สามารถทําได้นะเนี่ยคือตัวสีเลยถ้าบอกว่าเป็นประธานแห่งธรรมที่ไม่มีโทษเพราะว่าสีเนี่ยนะครับท่านบอกว่าสีเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งนะครับเป็นมานดาของกัลยาณธรรมทั้งหลายเป็นประมุขของธรรมทั้งปวงเพราะฉะนั้นถึงรักษาอพึง ใช่นะชำระสีให้บริสุทธิ์ก่อเพราะสีนี่เป็นเบื้องต้นเลยใช่ไหมครับของคุณลักษณหลายทั้งปวงนะถ้าสีไม่มีแล้วคุณลักษณที่สูงขึ้นไปเนะี่ยเป็นสมาธิหรือปัญญายไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ะครับสีงจะต้องบริสุทธิ์ต้องอดีก่อนเท่ากับมาเหมือนอะไรเหมือนกับคนที่จะปลูกสร้างนะครับเป็นต้นไม้ใบหญ้านะทําสวนหรือว่าปลูกสิ่งก่อสร้างตางขึ้นมาเนะี่ยอย่างแรกเลยบุคคลนั้นต้องยืนอยู่บนพื้นดินก่อนใช่ไหมครับ อาศัยบนพื้นดินเนี่ยเป็นฐานนะครับในการปลูกสร้างสิ่งเหลานั้นขึ้นมาได้นะเนี่ยสีนี่นก็เปลี่ยนพื้นดินเหมือนกันนะครับที่ให้บุคคลอาศัยนะครับจะได้คุณธรรมที่สูงขึ้นไปนี่นะนั่นก็หมาว่าเป็นการชางแห่งธรรมที่ไม่มีโทษเป็นทานงําเนินให้ถึงพระ น, นิพพานได้สีแล้วนี่พตทธิยันตินะครับจะถึงนิพุติคือพระนิพพานได้ก็ด้วยสีต่านะงแหล่งนัชแหล่งอะไต้องได้นะครับสีเนะี่ย ทั้งนี้ก็ด้วยคําเชิญของพระสูนาเถนะผู้แก้วกล้ามีความขึ้นอ่อนน้อมเรียบร้อยและขันเกล้าสมบูรณ์ด้วยจาร์จศีลและวันศีงถ้ารจนาคำพีิอัติกรรมหาเจดมีเนี่ยทําไม่รจนาเองนะครับมีขอรัชนาท่านก่อนคือพระสูระเถรเถรณะนะเป็นผู้เชื้อเชิญท่านพระนุบโศสามากก็เลยรจนาคำพินี้ขึ้นมานะครับซึ่งพระสูราเถนะพูดถึงพร้อมที่ท่นว่ามานะครับ จาริตจารีนคือสี่ข้อควรประพืชนได้แก่ข้อวัดปฏิบัติต่างๆที่เราจะต้องประพืชนะครับมีอาเจริยวัด่ไมวัดที่ควรทำพระอุปชาผ้าตาอุปชาช่วัดวัดที่ควรอยผ้าตาอ่ะอาคันดุกะวัดวัดขงพิสูจน์คันดุกาอาวาสิกะวัดวัดของพิสูจน์จันทนใช่ไหมเป็นต้นนะครับวัดน้อยวัดใหญ่ต่างๆเป็นจาริการีคือเป็นสี่งข้อควรประพืชนะครับถ้าเราไม่พืชแล้วะไง เมื่อคุณก็ต้องอาบัตใช่ไหมครับต้องบุพเพนนี่นะและวานิจตศีลวานจตศีลเป็นศีลข้อห้าเมื่อเทียบศีลที่จะต้องบุพเพนนะแต่นี่ศีลที่ข้อห้าะข้าต่างๆศีลในสตาติโมกสองิบเจ็ดหรือศีลนอกสานตโก็แล้วแต่ที่เป็นพ้าบัญญักนะครับที่พูดองค์ทรงห้าใบนะวานิจตศีลใช่ว่าเช่นปราที่ข้อหนึ่งก็ห้าเนเมตถูกใช่ไหมครับเป็นต้น เนี่ยเรียกว่านตีพระเถระรุท่านก็ถึงพร้อมนะครับพร้อรมจะกระทําให้่มีนิชานิสมบูรณ์ตามแนวทางการอธิบายของพระมหาเถระในวัดมหาวิหารนะครับเนี่ยนะตรงตรงนี้มีคำอธิบายก็ความเนี่ยตอนเรื่องผู้ลูกผูสาวอาจารย์ท่านเดินทางไปที่เกาะลังการเป็นครั้งแรกนะครับท่านก็ดูก่อนนะว่าจะเข้าไปที่สํานักไหนดีนะครับก็จะมีสํานักหลายสํานักเลยใช่ไหม แต่มีสําหน้าให ญ, ใหญ่อยู่สองสามหน้านะครับคือสํานักอภัยคีดีวิหารและก็สํานักมหาวิหารท่านก็รู้แล้วว่าสองสองสํานักเป็นยังไงนะครับท่านก็เห็นว่าสํานักอภัยคีดีวิหารนะไม่ได้รักษานะครับคํอออาอธิบายนะตามนะครับแบบฉบับนั่งเดิมได้สังขานา ค, ครั้งแรกหรือตกงครับจะมีการนะที่ผิดเพี้ยนมาบ้างเรา บ, บางส่วนนะ ที่ไม่ตรงอ่านตังขาบูรานอะไรนะครับจะมีผิดเี้อะไรขึ้นมาบ้างนั้นไม่ลงกันแต่ว่าในแต่ว่าไม่ถึงกับว่าผิดเกี่มหาญาณนั้นไม่ถึงขนาดนั้นนะครับจุมภะสงหลักกับข้อ น, นิพานนี่ก็ยังเหมือนกันนะครับยังเหมือนกันอ่านลงกันได้นะเพียงแต่ว่าคําที่บานบางอย่างนะครับนะที่จะจะไม่ค่อยลงกันนะครับไม่ลงของเก่าเดิมต้องฉบับใหมนะแต่ว่าของพระมหาถือว่าที่อยู่ใว่ามหาไมหาเนี่ยถ้ารักษานะครับนัยากของที่บายนะ ตาต้องจำบอกเดิมทุกอย่างเลยครับไม่มีการไปถอนถอนของก่อนนะหรือว่าแต่งให้ติดเพี้ยต่อมาไม่มีเลครับท่านกวจะรักษาตาแล้วก็อธิบายตามนั้นเลยครับแต่ทำไปไม่นานครั้งแรกที่ท่อบหาจักรพรรดิทกันใช่ไหมครับเนี่ยรักษาอยู่ตรงเลยเขาดูภาษาจางก็เลยตัดสินใจที่ไปวัดมหาวิหารครับแล้วก็ไปเข้าไปปริวัตินะปริวัตินะครับใต้พิดองพระนภาเนี่ยที่เป็นภาษาสิงห์ผลก็จะเปนภาษามรกคร พร้อมที่ท่านก็เลยบอกว่าท่านแจกที่บายตามแนวทางการอธิบายของข้ามหาอินทร์ในวัฏฏาริษาพร้อมที่จะขจัดความสงสัยของเหล่าพิสุผู้เกิดความสงสัยในพระปาดิโมกนั้นโดยตั้งเชื่อยอย่างพรอบเพ่งว่ากังขาวิจารณีนะชื่อว่ากังขาวิจารณีเนะี่ยพ่อเป็นคำพีนะครับที่ยียะทําให้ข้ามพ้นความสงสัยได้นะครับนะวามสงสัยเรื่องอะไรนะ่ะ เป็นพรวินัยเนี่ยเราจะพ่อพระใหม่ใช่ไหมยังไม่ได้เรียนวินัยอะไรเยอะนี่นะครับก็จะสงสัยเป็นอาบัติรืเป็นอาบัติใช่ไครับเพราะนั้นทีนี้ก็มาพูดอย่างงั้นอางนี้ความงเป็นยังไงกันแน่เรากา ire, rails, so on, ็จะสงสัยใช่ไหมครับและเกิมาจากความสงสารของเราเองก็แล้วแต่นะสิขาบทนั้นว่าเปนยังไงใช่ไหมมันมีหรือเปล่าเนี่ยพอเราได้มาศึกษานะครับมีการถานมทฤษนี้วนี่เราก็จะนะครับข้ามพ้นความสงสัยเอก่นันได้ ม่ใช่ว่าพอศึกษาสองศึกษาไแล้วนะสงสัยมากขึ้น อ, อย่างนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่พอศึกษาแล้วก็จะหาสงสัยนะครับ <c oughs> ความจริงเนียตอนแรกรู้ไม่ค่อยรู้เลยใช่ไหมรู้น้อยนะครับ <c oughs> พอแล้วศึกษามาแล้วก็จะรู้มากแล้วก็เป็นจากความสงสัยและหาอย่างได้นะจะไม่ใช่ภาพรูปเก่านะนนะไม่ใช่พอเรียนจบนั่นนะครับไม่ใช่เหมือนพี่มีสุรูปเดิมแล้วนะนะ <c oughs> แต่เป็นคนที่มีส่วนที่มีความรู้นะครับเรื่องพระมีนายขึ้นมานะครับมันจะแตกตอนแรกนะเดี๋ยวรองดูมาสุดท้ายนะครับอย่าพุ่งไปไหนนะที่เรียนจนจบนะครับเราจะเห็นความแตกต่างจาบที่เราอีกอไยังไม่ค่อยรู้ก็มารู้ขึ้มานะครับอย่างที่ได้พูดไปมา น, นั้นนะครับคำพีกลางฐานวิจารณีท่าน ก, าาาก็จะอธิบายนะก็มาจากข้าราชการขอกนะครับทธ พ, พนนะมาอธิบายนะครับแล้วก็ ถ้าความจริงอ่ะมันจะมีตระกตาใหญ่คือสมันต์ภาษาธิการนะครับเป็นตระกตาพระวินัยนะตระกตาใหญ่เลยนะครับแต่สมันตภาษาธิการอ่ะเป็นตระกต า, าท่านจะอธิบายอย่างลึกซึ้งเลยนะถ้าเราอ่านในพระวินัยกิโดชวมหามงคดใช่ไหมครับจะมีตระกตาอยู่ด้วยนะครับท่านก็จะอธิบายแต่ละตอนแต่ลตอนอธิบานก็บาลีนะครับแล้วก็ลึกซึ้ง <c oughs> แล้วก็อธิบายในนั้นทีก็ให้เราคิดด้วยนะครับว่าเป็นยังไงใน น, นั้นในนี้นะครับ ก็ท่านจพูดถึงทั้งในที่สมควรและไมนสมควรใช่ไหมแต่พอมาถึงในการขาเนี่ยครับท่านจะสรุปให้เลยนะเราไม่ต้องคิดมากสรุปในที่ผมต้องอะไรทีเดียวว่าเนี่ยในนี้นะสรุปจทความมาเลยครับว่าอย่นี้อย่างนี่นงนี้ครับเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ใหม่เลยนะก็ทําให้เข้าใจงนะ่ายศึกษาก็เข้าใจง่ายนะจับ็นความได้อะไรครับว่างอ่อตรงนี้ขึ้นมาอย่างนี้นะท่านนิชัยอย่างนี้บางทีผมไปแค่อ่า น, นเจอสมบัติตที่เหนึ่ง น, นะ ผมก็ยังงงงานาที่นี่จะเป็นที่ไหนนะว่านี่ความจริง ท, ท่านจะเอาท่านถือยอาตรงไหนนะครับนะแต่พอเรามาดูในในการขาปุ๊บนะรู้เลยนะครับเพราะว่าพอในการข า, า, าท่านเาแค่มันตีนมันตีเยที่ยกขึ้นมานครับได้รู้ความประสงค์ของท่านว่าอ๋อที่ท่านพูดไว้ในคำสั่งนั้นนะท่านเอามันตีน